พระธรรมเทศนาแผ่นที่71ดลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่9พฤศจิกายน2557หนีชื่อเรื่องว่าบอดตาแต่ปัญญาไม่บอดแล้ววันนี้เป็นวันที่9 พฤศจิกายนพุทธศักราช2557เป็นวันเป็นปีใหม่แล้วนะคณะทายาทโยมลูกหลานทำไมว่าเป็นปีใหม่เพราะจันทรคติฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยเดือน12นเพนไปว่าสิ้นปีในเขตฤดูฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อน ฤดูร้อนฤดูฝนมันมีสี่ฤดูสามฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนมันมีอยู่สามฤดูแล้วเดี๋ยวมันหมดเขตฤดูฝนอะไรจะไเดือนสิบสองเพนพอหมดละเดิดเขตฤดูฝนก็ต้องปีใหม่จันทรคตินะ จัดวรกติขึ้นปีใหม่มาได้สามวันแล้วเดือนวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปพวกเราท่านทั้งหลายทำอะไรอยู่ทำความดีหรือทำธรรมมาค้าขายยังไงพัฒนาตนยังไงพัฒนาทางด้านจิตใจอย่างไรให้ไปตามให้จริงให้ไปทั้งสองอย่าง ทางพัฒนากายด้วยทางพัฒนาใจด้วยแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านพัฒนาใจมากกว่าการพัฒนากายการพัฒนากายก็คือพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นพอเราใหญ่ขึ้นมาก็เข้าโรงเรียนเรียนหนังสือแล้วก็เพื่อสสแสวงหาทรัพย์เลี้ยงชีพหาปัจจัยสี่ อันนี้คือการพัฒนาทางกายส่วนพัฒนาทางใจเมื่อเราศึกษาเรียนรู้จากนั้นลงมือปฏิบัติทำพัฒนาตนให้เป็นคนดีคิดยังไงจึงคิดดีทายังไงจึงทำดีพูดยังไงจึงพูดดีอันนี้คือคือพัฒนาทางด้านจิตใจแต่ใ น, นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านให้พัฒนาทางใจ ทางพัฒนาทางสมองหรือพัฒนาทางใจไปในทางที่ดีแนะนำไปในทางที่ดีอันนั้นตัวนั้นเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะใจของเรามันไปทั้งทั้งดีทั้งชั่วได้ทั้งสองอย่างถ้าเราจะส่งเสริมไปในทางนักเรีนักเรีงหัวไม้เป็นคนชั่วก็ไปได้ถ้าเราจะพัฒนาไปในทางที่ดีคิดในทางที่ดีพัฒนา ช่วยเหลือชุมชนสังคมช่วยเหลือตนเองไปในทางถูกต้องตามกฎหมายก็ไปได้จะทำไม่ผิดกฎหมายก็ทำได้ใจดวงนี้เพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนทานวัดใจจะต้องได้รับการอบรมจะต้องได้รับการเรียนรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรนี่แหละยา่าพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเรา เะไ้เขาไปอบปรมแนะนําสัง่งสอนจากพระพุทธเจ้าต่างคนก็ต่างชมว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดจริงรอบรู้จริงถ้าเรื่องราว ต, ต่างๆถ้ามาถึงพระพุทธเจ้าไปว่าเรื่องราวตัวนั้นจบลงเลยจบลงเลยแปลว่าไม่เกินอีกเพราะพระปีชาสามารถ พระปัญญาของพระพุทธเจ้าเหนือล้ำกว่ามนุษย์ชาติทั้งหลายทั้งปวงอะไรคือพระสงคทง์ทั้งหลายในยุคสมัยนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าจะลงมาแสดงธรรมตอนเย็นตอนบ่ายพระสงค์ก็สนทนากันพระพุทธเจ้าฟังในมุมไหนเล่เหลี่ยมไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดจริงๆปัญญาแหลมคมจริงๆหาใครจะเปรียบเทียบไม่ได้ พระสงฆ์ทั้งหลายก็สนทนากันเมื่อพระพุทธองค์เสด็จลงมาพระพุทธองค์ก็ถามมาพวกเธอสนทนาหรือพูดกันเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นนะในอดีตชาติของเราเราก็ฝึกฝนมาเรื่องสติเรื่องปัญญาไม่ใช่แต่เียชาตินี้ชาติเดียวอันนี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเออ สยามผัวอันนี้เลิศกว่าชาติก่อนๆแต่ชาติก่อนๆเราก็เคยฝึกฝนมาในเรื่องสติเรื่องปัญญาในเรื่องแนวความคิดนี้ในความรอบคอบพระสงค์ก็กลาบทูลถามพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเกิดในตระกูลพวกพ่อค้าเรือต่างประเทศคือสมัยนั้นเขาต่อเรือพอต่อเรือเสร็จแล้วก็ ไปทำมาค้าขายต่างประเทศเป็นตระกูลนะคือเราตัวพ่อของเราเป็นต้นหนเียวว่าต้นหนเป็นคือนายสเผาเรือคําว่าต้นหนเป็นเราเป็นลูกของต้นหนพอต่อมาพ่อตายพ่อตายเราก็เลยทำหน้าที่ทำหน้าที่เป็นต้นหนแทนพ่อคือเป็นต้นตระกูลเราจะสังเกตว่าลม อย่างไงผลอย่างไงหน้านั่นเป็นยังไงหน้านี้เป็นยังไงไปเดินไปถึงทะเลแล้วเป็นยังไงเราจะเป็นผู้ดูแลเรือที่จะเดินไปนําสินค้าไปจัดไปขายต่างประเทศแต่นี้เขาเป็นที่ยอมรับเพราะาต่อมาตาเองเลยเคยบอดพอเราเดินไปในทะเลน้ําทะเลกระเด็นขึ้นมา ไปบนเรือบ่อยๆอยู่ในเรือตาของเราก็เลยบอดทั้งสองข้างพอตาบอดทั้งสองข้างเราก็อยู่บ้านเลยงดในการเดินเรือจากนั้นเขาก็นําเราไปเป็นข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราก็ไปอยู่ในการสังเกตตรีราคาสินค้าของหลวงเข้ามาแล้วก็เป็นผู้รับ สินค้าลรืวของหลวงต้องผ่านผ่านเราเราก็เป็นผู้สังเกตเป็นผู้ให้แนวความคิดพอเราไปอยู่ที่ใดเขาก็ยกให้เราเป็นผู้ตีตาสินค้าดังนั้นเขาเอาช้างมาถวายพระราชาพอช้างถวายปพระราชาเราก็เอามือจับคลำดูดูแลเราว่าช้างตัวนี้ ไม่เหมาะสมกับเป็นไม่เหมาะสมที่จะเป็นช้างของพระราชาได้เพราะเหตุไรเพราะว่าช้างตัวเนีเ้มันขาขาหลังมันสั้นทั้งที่ตาบอดนะคำๆลูกขาหลังมันสั้นเพราะเหตไรเพราะมันเวลามันคลอดออกมาหนอ่อแม่มันตกขาหลังกันกระแทกกับพื้นขาทาให้ขามันสุดขามันสั้น ไม่เหมาะสมเป็นช้างพราชานะเนี่ยเขาดูแล้วเออใช่เออพวกเราถ้าพวกเราสังเกตเห็นช้างน่ะแต่ช้างถ้าก้นมันต่ำๆหัวมันสูงๆเลยแสดงว่า ม, มันเวลามันเกิดมามันมันเอาขาหลังมันกระแทกกับพื้นมันขาสุดต่อมาอีกเนี่ยเขาเอาม้ามาถวายพราชายตั้งแต่เกิดเป็นลูปลางอีกตาบอด ลหลัลเม้าตัวนี้ดูดูแล้วก็สมบูรณ์ดีเอ็ดูดูแล้วก็ใหญ่ไลด่ดีแต่ว่าม้าตัวนี้มันเกิดมาเน่มันไม่ได้กิน น, นมแม่ของมันนะมันกินนมบัวเพราะนั้นร่างกายบางส่วนไม่สมบูรณ์เพราะมันแม่มันตายแต่พอมันเกิดขึ้นมาจากนั้นเขาก็เอยใช่ม้าตัวนี้เป็นม้าไม่สมบูรณ์เนี่ยอันนี้คือหลา ย, ลายอย่าง แต่พระเจ้าเป็นดินแต่ละอย่างพระเจ้าเป็นดินก็ให้รางวัลไม่มากเหมือนกับให้รางวัลคนสวนลักษณะอย่างนั้นแหละนายต้นหัวนี่เขเลยไม่ได้ไม่คุ้มค่าเราควรจะออกไปทำมาประกอบสัมมาชีพยอย่างอื่นดีกว่านะจากนั้นท่านก็เลยออกมาออกมาพวกกลุ่มพ่อค้าเรือก็ต่อเรือเอกแตนี่ต่อเรือใหญ่มากเลยแตเนียเพื่อจะเดินทะเลเอาสินค้าไป พอจะทั้นคนบรรทุกคนทั้งเจ็ดร้อยเขาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะคนโบราณเขาคิดได้ยังไงก็ต่อเรือทั้งเจ็ดร้อยคนคนขึ้นเรือจากนั้นก็ปล่อยใบขึ้นมาเกิดวิ่งลงไปกลางมาหาสมุทรเออคงจะไม่มีเข็มทิศเข็มทางมั้งคงจะม่มีเข็มทิศกัมังก็ปล่อยไปแต่นี่มันก็ล่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ พอไปแล้วไ อ, อ, อ, อ้ต้นหอนนี่ก็บอกเออถ้าเห็นสีน้ําทะเลขึ้นมาอย่างไงบอกเรานะแอ่เขาก็บอกเป็นโอ้ตรงนี้น้ําใสจริงๆน้ําใสแกวเลยนะท่านเอเอเอามาเอาตะข่ายมาเอาตะข่ายมาเอาเอียงเียงเรือนะนะเขาชับใบให้เอียงเรือพอเรือแล้วก็กวาดลงไปกวาดลงไปก็วิ่งไปเรื่อยๆ จากน้นก็ยกขึ้นมายกขึ้นม า, น ม, ามีต่เพชรางั้นอพกเพชรเออเอาเก็บไว้อตัวไห น, ส, นสินค้าไหนที่ไม่มีราคาอ่อยทิ้งนะแต่ท่านไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าตรงนี้เป็นเพชรนะท่านไม่บอกว่าถ้าบอกเข้าไปแล้วคนในเรือมันจะโลภนะว่อมันมีเท่าไหร่มันจะเอาเอาทั้งหมดมันจะไม่ยอมไปนะมันจะเอาเพชรอยู่จุดนั้น่ะเดี๋ยวเรือมันจะอับปางอนะ เนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านทำอะไรท่านรู้จักประมาณตนนะคือไม่ให้โลภจนเกินไปจากนั้นท่านก็ไปแล้วก็เอาไปถ้าเห็นน้ำสีอะไรบอกเรานะนี่เขาโอ้น้ำตรงนี้มันเป็นสีเหมือนกับสีไฟสีคบเพลิงเลยนะมันสว่างไปหมดในจุดนี้นายต้นหนตาบอดเนี่ยเ็เออเอาเอียงเองเรือนะ แค่จานั้นก็เอาตะข่ายลงไปกวาดเป็นแร่ทองคำเอาขึ้นมาใส่เรือเอาสิ่งไหนที่มีสินค้าที่ไม่มีถ้ามันหนักเอาเทงไปนะที่ไม่มีราคาน่จนไปถึงเป็นเงินเป็นสินค้าที่เป็นเพชรพลอยมีคุณค่าเพราะถอาที่พอเดินเข้าไปอีกไปอีกทีเียไปเจอ ทะเลปั่นปวนไทะเลปั่นปวดค่อยๆว่ามันลมก็แทกอย่างแรงเออไปกระแทกฝั่งเกาะแถวนั้นพังเป็นแทบเป็นแทบเป็นแทบอแต่นี้ก็ถามว่านี่มันเป็นอะไรนะบอกว่าเป็นเอองอตายมาถึงทะเลจุดนี้เป็นไม่มีใครรอดทะเลจุดนี้มั้งตายลูกเดียวออตรงนั้นพวกคนทั้งเจ็ดร้อยกว่าโห จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไแต่นี่ไอ้ทำยังไงท่านเออเอามาเออให้เราให้เอาน้ําหอมเอาน้ํามาอาบน้ําให้เราเนี่ยพออาบน้ำเนี่ยก่อนที่จะกล่าวทำมาก่อนที่จะอธิษฐานเนี่ยต้องทําความสะอาดตัวเองก่อนนะเนี่ยพวกเราให้ฟังเอาไว้เวลาจะทําวัดวัดไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเออต้องทําตัวให้สะอาดซะก่อนมีเสบียงสบาย ให้เรียบร้อยซะก่อนจึงจะกราบพระไหวพ้พระเป็นศิริมงคลไม่ใช่ว่าตมุมตม่มําสกปกโลกลุกลงลังแล้วจะไปไหว้พระสวดมนต์อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ในอบัณฑิตนักปราดนะบัณฑิตนักปราดท่านจะกล่าวทำห ร, รือขั้นจะกล่าวสัจจะเนี่ยท่านบอกว่าเอาน้ําสะอาดมาให้เราอาบพออาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเอาเครื่องหอมตกแต่งให้เราเอาพอตกแต่งให้เราเสร็จแล้วเออเอา เอาเอาน้ำมาน้ำใส่ขันมาพอน้ำใส่ขานมาแล้วก็ท่านก็เป็นนั่งอยู่บนหัวเหลือคล้ายๆทำพิธีลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วก็ยกขันขึ้นสาธุนะข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้าเองไม่เคยคิดที่จะโลภโลภ ห, หวัวโมกนะ ไม่ได้คิดจะเบียดเบียนผู้ใดใครผู้หนึ่งข้าพเจ้ามีจะ ต, ตั้งความให้โลกทั้งโลกคู่คนที่มาเกี่ยวข้องให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยสัจจะความจริงจังและจริงใจของข้าพเจ้านี้ขอให้เรือตลอดปลอดภยัยอย่าได้มีภัยวิบัติเกิดขึ้นกับเรือที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ณที่นี่ด้วยสัวจวาจานะนี่แหละสรุปแล้วก็คือเวลาคับขัน เวลาพวกเราถึงเขาคับขันมาให้เราล้ำลึกถึงบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมบุญกุศลมาในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าได้ทําอะไรในอดีตที่เป็นประทับใจข้าพเจ้าได้ดูแลปณิบัติพ่อแม่ข้าพเจ้าเนีปณิปณิบัติพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าโดยไหว้พระนั่งภาวนาสวดมนต์ข้าพเจ้าได้รักษาศีลเรานี่แหละมันต้องมีมันมี ถึงเขาขับขันควรจะตั้งจิตอธิษฐานอันนี้ก็คือท่านพระโพธิสัตว์ท่านทำเป็นตัวอย่างจากนั้นก็เอาเอา้ามายาขามาอีกอามากับท่านก็บอกว่านี่นะตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดมาข้าพเจ้าไม่เคยฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าไม่เคยขโมยทรัพย์ของใครข้าพเจ้าไม่เคยผิดสามมีภรรยาม่เคยผิดภรรยาของผู้ใด ข้าพเจ้าไม่เคยโกหกใครข้าพเจ้าไม่ดึงไม่เคยดึงทุราแม้แต่หยดเดียวในชีวิตของข้าพเจ้าด้วยสั จ, จวาจาด้วยศีลของข้าพเจ้าขอให้เรือลํานี้เดินทางโดยตลอดปลอดภัยอย่าได้มีภัยวิบัติเกิดขึ้นกับเรือของข้าพเจ้าด้วยเถิดนะอันนี้ก็คือสั จ, จวาจาของท่านจากนั้นเรือลำนั้นก็นเลยผ่านพ้นอุปสรรคไป จนมาถึงบ้านของตัวเองพอมาถึงบ้านแล้วก็ท่านก็มาแบ่งทรัพยสมบัติที่ได้มานะแบ่งสรรปันส่วนให้ทั่วถึงกันท่านก็บอกว่าพอแล้วนะพวกเราได้เพียงแค่นี้นะที่จะดำรงเลี้ยงชีพของเราตลอดไปได้ไม่ไม่ทกยากละขนาดที่พอนะเนี่ยพระโพธิสัตว์สมัยเมื่อท่านยังบำเพ็ญอยู่ท่านก็รู้จักเมืองพอนะ ถ้าหากว่าคนเราถ้าไม่จักเมืองพอรมันทุกถ้าหากว่าอยู่ในกลางทะเลไปตักเอาเพชรนินจินดาได้ขนาดได้นี่แต่ตักเอาตักเอาพลนิษุทธ์กน็กนั้นแหละเรือก็ล่มแลยสินะเออรานมันหนักเนี่ยผล น, นิษุทก็ยังไม่ถึงไหนตายก่อนเนี่ยนแหละพระโพธิสัตว์ของเราถ้าหากว่าเราได้สังเกตว่านิทานเรื่องเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนึ่งเมื่อเขาคับขันเราควรจะล้ำลึกถึง ุลงามความดีของเราที่ได้ทำเอาไว้บุญบารมีของเราที่ได้ทำเอาไว้ให้ระลึกถึงด้วยสัจจว่าจาอันที่สองก็คือให้รู้จักเพียงพอรู้ จ, จักพอเพียงในการนำลงชีพอย่าโลภจนเกินไปถ้าโลภมากลาบจะหายเพราะนั้นท่านนิทานในเรื่องนิท่านสอนสอนสองประเด็นก็คือเมื่อเรา มีเรื่องขับขันไม่สบายใจให้เราระลึกลำลึกถึงบุญคุณที่เราได้กระทำมาในอดีตให้มาเป็นเป็นเครื่องครือกูลหนุนเป็นสักขีพยานให้ช่วยชีวิตของเราหรือช่วยกิจการของเราอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือเมื่อเราดำรงชีพอย่าโลภอย่าโลบจนเกินไปให้รู้จักประมาณในการครองชีพ ะ ใ, ในชาดกแต่และเรื่องที่พระพุทธองค์ที่ท่านได้ตรัสไว้พูดไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเรานํามาพิจารณานํามาทบทวนดูแล้วกรับเป็นคติตัวอย่างสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายในการดําเนินชีวิตของพวกเราแล้วก็ให้ให้ขยันให้ขยันไม่ใช่ท่านให้งอมืองอเท้านะจุดไหนที่มันจะเจริญรุ่งเรืองท่านก็ให้ทํา แต่ดูแล้วเนี่ยอย่างเมื่อท่านไปเป็นข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินให้รางวัลเหมือนกับคนทำสวนไม่ไม่คุ้มค่านะไม่คุ้มค่ากับการวิชาชีพของเราที่ให้ที่ใ ห, ทให้ที่ให้ไปท่านก็ถอยนี่แหละอันนี้เราก็ต้องดูอีกว่าการไปอยู่นัสถานที่ใดมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขอย่างไร อันนี้กับเราเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดคิดอีกเหมือนกันอย่างพระโพธ่สัตว์ท่านเป็นตัวอย่างพราะนั้นะขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะแต่ถึงยังไงพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทหลวงพ่อย้ําแล้วพูดอีกตายแล้วไม่สูญนะหลวงพ่อ บ, บอกนะตายแล้วไม่สูญนะอย่างถ้าตายสูญนะพระพุทธเจ้าท่านจะระลึกชาติทนหลังได้ยังไงพระพุทธเจ้าตัวนี้อดีตชาติของเราเราเคยเป็นต้นหนุน อในชาตินั้นเราได้ใช้จิตใช้ปัญญาแต่ตาเราบอดเพราะถูกน้ําทะเลเข้าตาของเราบ่อยบ่อยบ่อยพบกุใแจชุดตาก็เลยเล็ดบอดแต่เราก็ทําหน้าที่ตาบอดของเราใช้สติใช้ปัญญาของเราอจนเอาชีวิตรอดได้ในบริวารของพวกเราเนี่แหละอันนี้ก็คือ การที่เป็นอยู่ของพระโพธิสัตว์ท่านระลึกชาติโหนหลังได้พระพุทธเจ้าเปแสดงว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าอวดดีอย่าตาบอดตาบอดแล้วอวดดีอีกต่างหากเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกอยู่ต่อหน้าข้าเนี่ยเดินไปเลยเดี๋ยวก็ตกเหวเดี๋ยกวก็ตกบ่อเดี๋ ย, ยกวก็ชนต้นไม้หัวล่างข้างแตก เพราะไม่เชื่อคนดีเพราะเราไม่ไม่เคยไปเราไม่เคยอยู่ในต่างถิ่นถ้าอยู่ในถิ่นของเราอีกอย่างนึน่ถ้าไปต่างถิ่นเราไม่เชื่อคาใครระวังก็แล้วกันนั่นแหละสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราจะจะจะย่ำภูรู้หมดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องฟังฟังทำคำสอน ที่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรเราก็ควรฟังและก็ศึกษาแล้วก็ทดสอบอีกต่างหากท่านไม่ได้ว่าให้เชื่อยอย่างเดียวนะข้าพูดยังไงให้เชื่อยอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นอีกต่างหากอย่างสารีบุตรที่เราตถาคตพูดไปให้ท่านเชื่อไหมพระสารีบุตรว่ายังก่อนพระเจ้าขา่าพระขา่าพระองค์ ข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติดูก่อนในเมื่อข่าพระองค์นําไปปฏิบัติดูแล้วข้าพระองค์จะมากราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าค่าเนี่ยใครเข้าว่าเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วจะเชื่อหรือไปเชื่อถึงค่อยมากราบทูลอีกกู้ฆ่าพระองค์ไม่เชื่อดอกที่พระพุทธองค์ตรัสไว้วันนั้นไงโอดเชื่อพระเจ้าข่าที่พระองค์ตรัสไว้นะจริงอพระสารีบุตรก็จะมากราบทูลเมื่อภายหลังฮะนี่แหละ อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยจะมาปฏิเสธทำคําสอนอแสดงว่าไม่ใช่ตาบอดเราจะว่าอะไรอตาบอดตาบอดอวดดีฮเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าเป็นตาบอดอวดดีให้ฟังเอาไว้ถึงจะเป็นตาบอดไม่ใช่บอดตานะบอดปัญญาตาปัญญาตาความรู้ของเรามันบอดมันมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นเอ ท่านสอน ว, วิธีการอยากจะรู้ ว, ว, วิธีการพิสูจน์ให้นั่งสมาธินะนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตใจใจของท่านรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วลั่นท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟัง คนขับรถเนะ่ยเมื่อรถคันนี้พังคนขับรถจะต้องออกจากรถไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั่นแหะคนขับรถที่มีเงินไมในกระเป๋าไหมมีเพชรนินกินดาไหมมีบัตรเอทีเอ็มไหมจะไปกดเอาที่ไหนได้มีไหมถ้าโซเฟอร์โง่โซเฟอร์ไม่ได้ใส่ใจโซเฟอร์ไม่หาเงินโซเฟอร์ก็จะต้องทุกข์ยากลําบากพอออกจากรถคันนี้ไปแล้วก็มีแต่ <g ül> ไม่มีเงินจะทําไงมดรถคันนี้มันตายแล้วก็มีแต่ย่ำตอกนะเดินฮะไปหาเดินงงกกันงานไปตามเรื่องเพราะอะลเพราะมันไม่มีทุนนะผลที่ส่งไปหาเกิดหมูเป็นหมูหมากาไก่ไปเรื่อยเลยไปเกิดเป็นสัตว์ิจารยานมีที่เกิดมีตึงแยะแยะไปโลกในโลกหาได้คุณแม่ชีแก้วบอกันหาดีก็ได้หาชั่วก็ได้ หานรกใส่ตัวเองก็ได้หาสวรรค์ใส่ตัวเองก็ได้หาคุกหาตารางใส่ตนเองก็ได้หาคุณงามความดีเป็นเจ้าเป็นนายระดับไหนก็หาได้ทั้งทั้งนั้นโลกนี่โลกหาได้เพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบในชาตินี่ได้พบพระพุทธศาสนาอย่าไปหาแต่สิ่งที่มันชั่วใส่ตัวเองนะหาแต่สิ่งที่มันดีๆใส่ตนเองนะจะมีแต่ความสุขความเจริญต่อเ น, นื่ไปรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร